ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสตะปะพระปุระสิกขาและปุระสิกขาวันหน้านาพระอมราพิรุิตะอมโรเกิดวัดบรมนิวาสรสนาต่อไปก็จะเป็นข้อที่สามชื่อว่าปฏิปฏิมุขะปะพระว่าด้วยสิกขาบทที่เป็นปากทาง แห่งความปฏิบัติอยู่โดยมากก็คือเป็นสิ่งที่จะต้องศึกษาก่อนก็แลในปุพศิกขาในปัฏภะอันนี้ตั้งแต่สิกขาบทแห่งป ร, ราชิกาบัตจนถึงสิกขาบทแห่งทุ ก, กตาบัตได้แยกไว้เป็นสองแผนกเป็นสัจจิตกะสิกขาบทแผนกหนึ่งเป็นอัจจิตกะสิกขาบทแผนกหนึ่งเพื่อจะให้รู้ง่ายด้วยปุพภิกขานั้นเป็นคําย่อนัก ก็แลบุพพสิกขาวันนานานี้จะไม่กล่าวตามลำดับในบุพพสิขานั้นจะกล่าวตามลำดับสิกขาบทที่มาในปาติโมขุเทศยกไว้แต่บัญญัติแห่งทุนรัจยาบัตและบัญญัติแห่งทุ ก, กตาบัติที่ไม่ได้มาในปาติโมขุเทศในส่วนสิกขาบทที่มาในปาติโมขุเทศนั้นที่เป็นทางแห่งความปฏิบัติที่ยกขึ้นกล่าวในบุพพสิกขาก็ดีที่ไม่ได้ยกขึ้นกล่าวในบุพพสิขาก็ดี จะกล่าวโดยพิจารณสักหน่อยหนึ่งตามควรและจะกล่าวตามบาลีและตามอาัตถกถาชื่อกังขาวิตารมีจะกล่าวองค์และวิธีมีสมุดฐานเป็นต้นด้วยและจะกล่าวสกขาบทที่ไม่เป็นปากเป็นทางความปฏิบัติ ด, ด้วยแต่จะกล่าวโดยย่อพอให้รู้ความตามบทมาติกา จะไม่ประกอบองค์และวิธีมีสมุดฐานเป็นต้นด้วยก็คือสิ่ขาดตใดที่ไม่ได้มีการปฏิบัติแล้วเช่นเกี่ยวกับเรื่องของนางพิจุนีเป็นต้นท่านก็จะกล่าวย่อๆแล้วก็ไม่แสดงเรื่องของสมุดฐานต่างๆเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะได้สมกับคำที่กล่าวว่าปาติปาติมุขะปะพะก็แต่ข้อบัญญัติซึ่งไมมาในปาติโมจกจะกล่าวโดยย่อบ้างโดยพิทาานบ้าง ตามคมภีร์สมันตะตาสาติกาบ้างตามคมภีรอื่นบ้างสําหรับการขาววิตรณีนี่ก็พระบุรุโธสาอาจารย์เป็นผู้ที่แต่งแต่งโดยย่อแต่ว่าสมันตะตาสาติกาก็ท่านพระบุรุโธสาอาจารย์นั่นแหละก็รวบรวมรจนาจากอัตถกาเก่าเข่ามีมหาอัตถกากรุณทีปัญจเรีเป็นต้นแต่ว่าเป็นพิศดารท่านก็จะมารวบรวมไว้จากวันน า, นาในปาราชิกสุขาบทนั้นก่อน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 อาชีพก็หมาว่าความเป็นไปอยู่ร่วมกันด้วยอุโบสถป ร, รณาชกนกรรมต่างๆและเธอไม่กล่าวเพื่อนสิกขาไม่กระทาให้แจ้งถึงความเป็นผู้ทุรพลน้อยกําลังตะกรถ้าเธอเสพ เ, เมถุนโดยที่สุดแม้ในเบรฉาัานโตัเมียเธอนั้นย่อมเป็นปาราชิกไม่มีสางวาดด้วยทิศอื่นทิศนั้นคือกุลบุตรผู้ได้อริยาสมมุติอันเนื่องมาแต่พระพุทธเจ้าเป็นสมมุติสําหรับ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 คววิบัติแห่งสีมาทิเบตยังต้องมีสมบัติของสีมาสีมาสมบัติสามอย่างแล้วก็ปริสสะสมบัติก็คือทิกษุที่เข้ากรรมครบจํานวนมีสิบรูปขึ้นไปในมัชมัชนบทห้ารูปทั้งพระวิเนทอนในปัจจันตประเทศและควรแก่เหตุเป็นที่ตั้งดังนี้แล่ชื่อว่าทิกษุทิกสุแปล ว, ว่าผู้ขอคือว่าจะได้ก็าตามไม่ได้ก็าตามขอตามอย่างพระอริยเจ้าคือว่า เวลาเช้าก็นุ่งห่มเป็นปริมณฑลอุ้มบาตรยืนเฉพาะเรือนตระกูลเป็นสำคัญไม่ร้องขอด้วยวาจาที่ว่ารูปใดนั้นคือว่าจะสูงต่าดำขาวใดใก็ดีจะประกอบการงานอยู่อย่างไรและจะมีชาติมีชื่อมีโคตมีปกติมีวิหารธรรมมีโคจร อ, อย่างไรก็ดีและจะเป็นเถระผู้แก่หรือพิกษุหมหรือภิก ษ, ษุปานกลางก็ดีไม่ว่า ถ้าและเศเมถุนเป็นปาราชิตทุกรูปไม่มีข้อยกเว้นเลยเฉเว้นก็แต่พวกทิฏฐิที่เป็นบ้าเป็นอธิกรรมิกะเป็นต้นบัญญัติผู้นั้นถึงจะเวน้นซึ่งว่าไม่กล่าวคืนติกขาและไม่ทําให้แจ้งซึ่งความเป็นคนทุรผลนั้นคือว่าไม่ลาติขาพร้อมด้วยจิตและเขตและการและประโยคและบุคคลและพร้อมด้วยวิชานนะคือความรู้และพร้อมด้วยจิตนั้น คือคิดจะเคลื่อนจากความเป็นอุปสมบัติปิจุแล้วกล่าวคําลาสิกขาไม่กล่าวเล่นกล่าวพลั้งจึงเป็นอันลาสิกขาอย่างหนึ่งก็แลเขตนั้นมีมากถึงยี่สิบสองบทหมายถึงว่าวิธีการลาสิกขาเนี่ยนะก็จะต้องใช้คํากล่าวที่ถูกต้องเป็นเขตถึงยี่สิบสองบทจะกล่าวแต่ที่ควรจะใช้กล่าวว่าสิกขาังปัจจคามิขปเจ้ากล่าวคืนซึ่งสิกขาก็ดี วิเนยังปัจจขามิขพเจ้ากล่าวคืนซึ่งวินัยนดังนี้ก็ดีและกล่าวว่าขิหีติมังทาเรหิท่านจงทรงไว้ซึ่งขปเจ้าว่าเป็นครหัตก็ดีอุปาสโกติมังทาเรหิท่านจงทรงไว้ซึ่งขปเจ้าว่าเป็นอุบาสกก็ดีกล่าวตามบทดังนี้และไม่กล่าวตามบทอื่นดังนี้ว่ารุกขังปัจจขามิเป็นต้นอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะถ้ารุกขังปัจจขามินี่รากระต้นไม้นี่ไม่ได้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 ใช้ภาษาใบาิหรือว่าเขียนหนังสือลานี้ไม่เป็นอันลาสิกขาต้องเปล่งวาจาเท่านั้นดังนี้แลชื่อว่าลาสิกขาพร้อมด้วยประโยคก็คือประโยคหมายถึงว่าใช้วัชีประโยคเท่านั้นใช้วาจากล่าวทางกายใช้ไม่ได้ไม่เป็นอันลาพร้อมด้วยบุคคล น, นั้นคือผู้ลาสิกขาไม่เป็นบ้าไม่เป็นคนมีจิตฟุ้งซ่านไม่เป็นคนเจ็บอันทุกเวทนาหนักครอบงำเป็นคนปกติดีอยู่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 ไม่ควรจะเป็นอันบอกเหมือกันเพราะว่าไม่ได้อยู่เฉพาะหน้าต้องบอกราแบบผู้อยู่เฉพาะหน้าเท่านั้นเหมือนกับการแสดงอบัตเหือกันถ้าโทรศัพท์แสดงอบัตนี่ก็ไม่เป็นอันแสดงกันนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นอันปกติเพราะว่าต้องอยู่เฉพาะหน้าพร้อมด้วยความรู้นั้นคือผู้ลานสิกขานิยมต่อผู้ใดก็คือเจาะจงจะบอกแก่ผู้ใดผู้นั้นได้ยินและรู้ความในขณะนั้น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 รวมกันก็เลยเป็นสิบแปดผู้หญิงผู้หญิงมนุษย์อมนุษย์เดรัจฉานก็ทวารสามเป็นเก้าแล้วก็อุปโตวิญญชนกก็ทวารสามเหมือนกันสามพวกมนุษย์อมนุษย์เดรัจฉานก็เลยเป็นสิบแปดส่วนผู้ชายชายเป็นมนุษย์เป็นอมนุษย์เป็นเดรัจฉานมีทวารสอง ก็คือทวนหนักกับทวนปากถ้าอุปโตัวป็นเชนชนกนมี่มีมีทวนสามเพราะว่ามีทั้งเพศหญิงเพศชายอยู่ในคนเดียวกันก็สําหรับผู้ชายมนุษย์อมนุษย์และเดรชานมีทวนสองคือทวนหนักกับทวานปาพวกในสองผูละสองนี่ก็เป็นหกบรรดาเป็นมนุษย์อมนุษย์เดรชานก็มีทวนสองสามพวกก็เป็นหกรวมทั้งหมด ของพวกทวารสองทวารสองนี่ก็สิบสองสิบสองก็สิบแปดก็รวมเป็นทวารมรคเนี่ยสามสิบเป็นมรคเป็นทางที่ทําให้เกิดอบัตปาราชิกสามสิบทวารทั้งหมดด้วยกันก็คือพวกหญิงมนุษย์อมนุษย์เดรัจฉานเก้าอุปโตปยันชนกมนุษย์อมนุษย์เดรัจฉานก็รวมเก้าเป็นสิบแปดบุรุษมนุษย์อมนุษย์เดรัจฉานทวารละสองก็เป็นหกก็เป็นยี่สิบสีละแล้วก็ บรรดามนุษย์อมนุษย์จิรจารทวารสองอย่างละสองก็เป็นหก ร, รวมทั้งหมดสามสิบมักก็แลกำหนดสัตว์จิรรชาร น, น้นดังนี้สัตว์ไม่มีเท้าได้แก่ทีขชาติมีงูเหลือมงูเรือนเป็นต้นและสัตว์น้ำมีปลาเต่ากบเป็นต้นที่มีทวารมะทั้งสามอันแหน่งหนึ่งพอให้องค์กาเนิดเข้าไปได้ชั่วมเมล็ดงาหนึง่งเหล่านี้เป็นวัตถุแห่งประราชิก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 ช่องตาช่องหูและแผลในกายสัตว์เดรัจฉานก็ดีและนิมิต ท, ที่เล็กแห่งสัตว์เดรัจฉานมีงูและปลาเป็นต้นที่ไม่พอประมาณองค์กําเนิดดําเนินเข้าไปได้ก็ดีและสรีระวัยวะอันเสดมีรักแร้เป็นต้นแห่งมนุษย์และเดรัจฉานก็ดีและนิมิตในตั้งตกที่ขึ้นพองแล้วก็ดีและชิ้นเนื้อที่ตกลงแล้วนอกนิมิตก็ดีเหล่านี้เป็นเขตเป็นวัตถุแห่งอบัตทุกกฏ มนนนิมิตเล็กๆทั้งหลายเหล่านี้ช่องตาช่องหูแผลในกายกัตได้ฉานพวกนี้หรือว่านิมิตสองศพที่ขึ้นพองอืดแล้วก็เป็นวัตถุแห่งทุกข์กฎนั้นที่ตูดสอดองกระชาติเข้าไปในปากศพที่อ้าอยู่ไม่ให้กระทบเบื้องต่ําและข้างทั้งสี่นั้นเป็นทุกข์กฎแต่เกิดโดนกระทบตรงใหนตรงหนึ่งก็ประราชิตเหมือนกันกาววนี้เป็นประเภทแห่งอาบัติ และไม่เป็นอาบัตในสกาบนนี้ติสุไม่รู้ไม่ยินดีเป็นบ้ามีจิตอันฟุ้งซ่านเวทนาครอบงำติสุเป็นอธิกรรมิกะผู้ต้นบัญญัติเหล่านี้ไม่เป็นอาบัติและติสุนอนหลับอยู่ผู้อื่นมาลอบทําเมถุนในนิมิตตนไม่รู้ตัวชื่อว่าไม่รู้ไม่เป็นอาบัติติสุใดแม้รู้แต่ไม่ยินดีเลยชื่อว่าไม่ยินดีไม่เป็นอาบัติติสุเป็นบ้าดีเดือดเครื่องคล้ายเหลือเยียวยา และทตุขเขาทําจิตให้ฟุงซ่านชื่อว่าเป็นคนมีจิตอันฟุงซ่านสองจพวกนี้ที่ไม่รู้สมเดีเห็นเพิงกับทองคู่ตับกันจันเสมอกันดังนี้เป็นประมาณในที่จะไม่เป็นอบัตทิกตุไดไม่รู้สิ่งไรเลยเพราะกระสับกระซาอยู่ด้วยทุกขเวทนากราดังนี้ชื่อว่าอันทุกขเวทนาครอบงําก็ไม่เป็นอบัตทิกตุไดเป็นต้นเหตุที่จะให้พระผู้มีพระภาคเจ้าบัญญัติิคาบทนั้น ดังพระสุทินแรกเตเมถุนก่อนป่าทิสุอื่นดังนี้ชื่อว่าอาทิการรมิกะผู้เป็นต้นบัญญัติก็ไม่เป็นอบัตเหมือนกันกล่าวมั น, นี้ชื่อว่ากล่าวด้วยอะนาบัตอะนาบัตก็หมายถึงไม่เป็นอบัติอันหนึ่งสิกขาบทนี้เป็นอะนานติกะเพราะไม่ต้องปาราชิก ด, ด้วยบังคับผู้อื่นให้เตฏเมถุนก็แต่ว่าบังคับหรือว่ายุทิจุด้วยการให้เตฏเมทุน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 พ้นได้ด้วยสัญญาอื่นก็คือสัญญาที่ไม่ได้เป็นไปนในกาเลเนี่นะเป็นสจิตตกะก็คือมีเจตนามีจิตโลกวัชชะจะต้องด้วยอุสตระจิตกายกรรมต้องโดยกายเป็นอานุสตระจิตเป็นทวิเวเดนังมีเวทนาสองก็คือสุขเวทนากับอุเบคาเวทนาแสดงว่าเกิดกโลภะมูลจิตเท่านั้นที่เป็นสมณะเวทนาตรีดัแล้วก็ อุเบคาเวทนาสี่ดวงก็รวมเกิดกระโลภะมรรจิตแปดวงอันนี้ก็เป็นปฐมปาราชิกังจบก็เป็นเรื่องของการเสดเมถุนเป็นสิ่งที่เป็นอันตรา ย, รายแร่แดงถึงผู้ที่พ่ายแพ้จะต้องบอัติคขาบทข้อ น, นี้ส่วนอัทินนาทานสิกขาบทอัทินนาทานสิกขาบทก็เอาไวต้ตอพรุ่งนี้ก็แล้วกันอันนี้ก็สมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านมีศรัทธาในการที่จะรักษาพระวินัย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 สาธุสาธุ